พักวะครั้งนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าฤิชวีคนหนึ่งลุกจากที่นั่งได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นโปรดคอยสักครู่ได้ไหมบางทีข้าพเจ้าอาจจะไปนํานักบวชเปลยปาเตกบุตรมายังบริษัทนี้ได้ลําดับนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าฤชวีคนนั้นจึงเข้าไปหานักบวชเปลยปาิเตกบุตรถึงอารามของตินนทุกขานุปริพาชก แล้วกล่าวกับนักบวชเปลยปาเตกบุตรดังนี้ว่าท่านปาิตกบุตรท่านจงกลับไปเถิดท่านกลับไปดีกว่าพวกเจ้าฤาชวีผู้มีชื่อเสียงพราหมณ์มหาสาลขาหาบดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณะโคโดมผู้ประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของท่านอันหนึ่งท่านได้พูดอวดไว้ในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่า พระสมณโคโดมเป็นยานวาทเราก็เป็นยานวาส ด, ด้วยและถึงเราจะแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาเตกกระบุตรท่านจงออกไปครึ่งทางพระสมณโคโดมเสด็จมาก่อนคนทั้งปวงทีเดียวประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของท่านแล้วอันหนึ่งพระสมณโคโดมตรัสวาจาในบริษัทว่าท่านนักบวชเปลยปาเตกกบุตร ย, ยังไม่ละวาจาไม่ละความคิด ไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาะเผชิญหน้ากับเราได้ถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็าอาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณะโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่ท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดด้วยการกลับไปของท่านนั่นแหละพวกเราจะทําให้ท่านชนะจะทําให้พระสมณะโคดมแพ้พักวะ เมื่อมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีกล่าวอย่างนี้นักบวชเปลยปาติกบดจึงกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลูกจากที่นั่งได้ครั้งนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีจึงกล่าวกับนักบวชเปลยปาติกบดดังนี้ว่าท่านปาติกบดท่านเป็นอะไรไปเล่าตะโพวของท่านติดกับตังหรือหรือว่าตัางติดกับตะโพวของท่าน ท่านกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแต่กลับซพศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้พักวะนักบวชเปลยปาเิระบุตรแม้ถูกมหาอมาต์ของเจ้าลิชวีเมื่อต่อว่าอยู่อย่างนี้ก็ยังกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซพศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้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 ไม่อาจลุกจากที่นั่งได้พระขวะเมื่อมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีนั้นกล่าวอย่างนี้เราจึงได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้านักบทเปลยปาเถรบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเราจะไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้น ก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่แม้เจ้าลิชวีผู้เจริญทั้งหลายจะคิดอย่างนี้ว่า <_ d ood le> พวกเราจะเอาเชือกมัดนักบวชเปลือยปาตระบุตรแล้วใช้โคหลายๆคู่ฉุดมาเชือกนั้นก็จะขาดหรือไม่กายของนักบวชเปลือยปาตระบุตรก็จะขาดแต่ถ้านักบวชเปลือยปาติกบรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้น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 ผู้เป็นสิทธิของทารุปัติกะนักบวชผู้นิยมใช้บาดไม้ลุกจากที่นั่งกล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านทั้งหลายรอคอยสักครู่ข้าพเจ้าอาจจะไปนํานักบวชเปลยปาติกบุตรมายังบริษัทนี้ได้ภัวะชาริยะปริภาชกผู้เป็นสิทธิของทารุปัติกะเข้าไปหานักบวชเปลยปาติกบุตร ถึงอารามของติ น, นะทุกขานุปริพาชกแล้วกล่าวกับนักบวชเปลอยปฏิกระบุตรดังนี้ว่าท่านปฏิกระบุตรท่านจงกลับไปเถิดท่านกลับไปดีกว่าพวกเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงพรามณามหาศาลข้าปดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณโคดมก็ประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของท่านอันหนึ่ง ท่านได้เคยพูดอวดไว้ในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมเป็นญาณวาสละถึงเราจะแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาติกบุตรท่านจึงออกไปครึ่งทางพระสมณโคโดมเสด็จมาก่อนคนทั้งปวงทีเดียวประทับพักกลางวัลอยู่ที่อารามของท่านแล้วอันหนึง่งพระสมณโคโดมได้ตรัสวาจาในบริษัทว่า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 พวกเราจะเอาเชือกมัดนักบวชเปลือยปาติกระบรแล้วใช้โคหลายๆคู่ฉุดมาเชือกนั้นก็จะขาดหรือไม่กายของนักบวชเปลือยปาติกบุตรก็จะขาดแต่ถ้านักบวชเปลือยปาติกระบรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้น เขาอาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณะโคดมได้ดังนี้ศีษะของเขาจะพึงแตกแน่ท่านปาติกระบุตรท่านจงกลับไปเถิดด้วยการกลับไปของท่านนั่นแหละพวกเราจะทำให้ท่านชนะจะทำให้พระสมณะโคดมแพ้พักวะเมื่อชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุ ป, ปฏติกะกล่าวอย่างนี้นักบวชเปลยปาติกบุตรจึงกล่าวว่า เราจะไปเราจะไปแล้วก็ทพศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ครั้งนั้นชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปติกะจึงกล่าวกับนักบวชเปลยปาติกบุรดังนี้ว่าท่านปาติกระบุรท่านเป็นอะไรไปเล่าตะโพวของท่านติด ก, กับตังหรือหรือว่าตังติด ก, กระต้อพของท่าน ท่านกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแต่กลับซบศีสะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้พระควะนักบวชเปลือยปาติกบุตแม้ถูกชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของธารุปติกะต่อว่าอยู่อย่างนี้ก็ยังกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซบศีสะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ พักวะเมื่อชาริยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปติกะนั้นได้ทราบว่านักบวชเปลือยปาติกบุตรนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจรู้จักที่นั่งได้จึงกล่าวกับนักบวชเปลืยปาติกบุตรดังนี้ว่าท่านปาติกบุตรเรื่องเคยมีมาแล้วคือราชสีเจ้าแห่งสัตว์ป่าคิดว่าทางที่ดี เราพึงอาศัยป่าทึบบางแห่งซ่อนตัวอยู่ครั้นซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบนั้นแล้วพึงออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็นครั้นออกจากที่ซ่อนแล้วพึงบิดกายครั้นบิดกายแล้วพึงเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศครั้นเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศแล้วพึงบันเลยศีรษหน้าสามครั้งครั้นบรนเลยศีรษหน้าสามครั้งแล้วจึงออกไปหากิน เรานั้นล่าหมูเนื้อตัวล่ำสันกินเนื้อนุ่มๆแล้วกลับมาซ่อนตัวอยู่ตามเดิมครั้งนั้นพญาราชสีนั้นอาศัยปา่าทึบบางแห่งซ่อนตัวอยู่ครั้นซ่อนตัวอยู่ในปา่าทึบนั้นแล้วออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็นครั้นออกจากที่ซ่อนแล้วบิดกายครั้นบิดกายแล้วเหลียวดูไปรอบๆทั้งสีทิศครั้นเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศแล้วบรเลยีหน้าสามครั้ง ครั้นบันเลยสีหนาสามครั้งแล้วจึงออกไปหากินมันล่าหมูเนื้อตัวล่ําสันกินเนื้อนุ่มๆแล้วกลับมาซ่อนตัวอยู่ตามเดิมท่านปลาตึกบุตรมีสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งเจริญเติบโตด้วยการกินเนื้อที่เป็นเดนของราชสีเจ้าแห่งสัตว์ป่านั้นนั่นเองอ้วนท้วนมีกาลังต่อมาสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นเกิดความคิดดังนี้ว่าเราเป็นใคร ราชส <ide> ีเจ้าแห่งสัตว์ป่าเป็นใครทางที่ดีเราควรอาศัยป่าทึบบางแห่งซ่อนตัวอยู่ครั้นซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบนั้นพึ่งออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็นครั้นออกจากที่ซ่อนแล้วพึงบิดกายครั้นบิดกายแล้วพึ่งเหลียวดูไปรอบๆทั้งสีทิศครั้นเหลียวดูไปรอบๆทั้งสีทิศแล้วพึงบรรเลยสีหนาสามครั้งครั้นบรนเลยสีหนาสามครั้งแล้วจึงออกไปหากิน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 แต่กลับร้องเสียงสุนัขจิ้งจอกออกมาสามครั้งร้องอย่างเสียงสุนัขจิ้งจอกนั่นเองสุนัขจิ้งจอกผู้ต่ำซามเป็นใครและการบรรลูเสีห้ามใผลเป็นอย่างไรท่านปาเตกบุตรท่านก็เป็นเช่นนั้นดำรงชีพตามแบบพระสุคตบริโภคอาหารที่เป็นเดนพระสุคตยังสำคัญพระตถาคตผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าควรท้าทายได้ถามว่า ปาฏิกบุตรผู้ต่ำซามเป็นใครและการท้าทายพระตถาคตผู้เป็นพระอาหารหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดผลเป็นอย่างไรพักว ะ, กวะเมื่อชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปติกะ ไม่อาจที่จะให้นักบวชเปลยปาเต็กกระบดลูกจากที่นั่งนั้นได้แม้ด้วยข้ออุปมานี้จึงได้กล่าวกับเขาดังนี้ว่าสุนัขจิ้งจอกสําคัญตนว่าเป็นราษฎร์ีจึงได้ลำพองตัวว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่ามันจึงได้ร้องเสียงสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้นขึ้นสุนัขจิ้งจอกผู้ต่ําซามเป็นใครและการบันเลยอย่างราษฎร์ีเกิดผลเป็นอย่างไรท่านปาเต็กกระบดท่านก็เป็นเช่นนั้น ดำรงชีพตามแบบพระสุคตบริโภคอาหารที่เป็นเดนพระสุคตยังสําคัญพระตถ า, าคตผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าควรท้าทายได้ถามว่าปาติกบุตรผู้ต่ําซามเป็นใครและการท้าทายพระตถ า, าคตผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดผลเป็นอย่างไรพักวะเมื่อชาริยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุ ป, ปัตะกะ ไม่อาจที่จะให้นักบวชเปลยปลาเกระบดลุกจากที่นั่งนั้นได้แม้ด้วยข้ออุปมาณนี้จึงได้กล่าวกับเขาดังนี้ว่าสุนัขจิ่งจอกเห็นเงาของตนที่เคลื่อนไหวในน้ําว่าเป็นอย่างอื่นจึงลำพองตัวว่าเป็นเสือตราบเท่าที่ยังไม่เห็นตัวเองตามความเป็นจริงมันจึงร้องเสียงสุนัขจิ่งจอกเช่นนั้นสุนัขจิ่งจอกผู้ต่ําซามเป็นใครและการบันเลย อ, อย่างราชสีเกิดผลเป็นอย่างไร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 พักวะเมื่อชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษ์ของทารุปติกะไม่อาจที่จะให้นักบวชเปลยปาติกบดลูกจากที่นั่งนั้นได้แม้ด้วยข้ออุปมานี้จึงได้กล่าวกับเขาดังนี้ว่าสุนักจิ้งจอกกินกบตามบ่อกินหนูตามลานข้าวและกินซากศพที่ทิ้งตามป่าช้ามีตัวอ้วนผีอยู่ในป่าใหญ่ป่าโปรงลำพองตัวว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่า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 และการท้าทายพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดผลเป็นอย่างไรพักวะเมื่อชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปตปิกะไม่อาจที่จะให้นักบวชเปลยปาเถระบุตรลูกจากที่นั่งนั้นได้แม้ด้วยข้ออุปมานี้จึงกลับมาหาบริษัทนั้นแล้วบอกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนักบวชเปลยปาถรบุตรนี้แพ้แล้วแต่ยังกล่าวว่าเราจะไปเราจะไป แล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจาลุกจากที่นั่งได้พรกวะเมื่อชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปฏิกะกล่าวอย่างนี้เราจึงเดียกกล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้า น, นักบวชเปลือยปฏิกบุตร ยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ศรีรษะของเขาจะพึงแตกแน่แม้เจ้าลิชวีผู้เจริญทั้งหลายจะคิดอย่างนี้ว่าพวกเราจะเอาเชือกมัดนัก บ, บวชเปลยปาติกกระบ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 ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่พักวะต่อจากนั้นเราจึงชี้แจงให้บริษัทนั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล่ากล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกระถาครั้นชี้แจงให้บริษัทนั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล่ากล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วจึงเปลื้องให้พ้นจากเครื่องผูกใหญ่ยกสัตว์ประมาณ8ป0 0 0พันขึ้นจากห้วงน้ำใหญ่ที่ข้ามได้ยากเข้าเตโชธาต์เหาะขึ้นสู่อากาศสูงประมาณเจ็ดชั่วลำตาลเนรมิตไฟอื่นให้ลุกโผลประมาณเจ็ดชั่วลำตาลมีควันตลบสูงแล้วจึงมายังกูตะคารสาลาป่ามาหาวัน พรวะครั้งนั้นสุนขัขขตตะฤชวีบุตรได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหวเราแล้วนั่งนที่สมควรเราจึงเรียกกล่าวกับสุนขขตตะฤชวีบุตรดังนี้ว่าสุนขัขขตตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเราปรารบนักบวชเปลยปราฏึกกระบุตรแล้วพยากรแก่เธอไว้อย่างไรผลของการพยากรเป็นอย่างนั้นหรือหรือว่าเป็นอย่างอื่น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงปรารบนักบวชเปลืยปาเิกระบุตรแล้วพยากรแก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลของการพยากรเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยสุนัขั ต, ตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเราได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเนื้อธรรมดาของมนุษย์แล้วหรื อ, อยังไม่ได้แสดงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้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 Bom, พระอิศวนเป็นผู้สร้างว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างเราจึงเข้าไปถามเขาอย่างนี้ว่าทราบว่าท่านทั้งหลายบรรยัญญัติทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวนเป็นผู้สร้างว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างจริงหรือสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นเราจึงถามต่อไปว่าพวกท่านประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลก ตามลทัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวนเป็นผู้สร้างว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างมีความเป็นมาอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วก็ตอบไม่ได้กลับย้อนถามเราเราถูกเขาถามแล้วจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานนานโลกนี้พินาศเมื่อโลกกำลังพินาศเราสัด ส, ส่วนมากไปเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสระ นึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นอาหารมีรสมีส่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตยอยู่นานแสนานานสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้กลับเจริญขึ้น เมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นวิมานของพรมปรากฏว่าว่างเปล่าเวลานั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งผู้จุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสระเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญมาเกิดที่วิมานพรมอันว่างเปล่านึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัสมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอัน ง, งดงามสถิตยอยู่นานแสนานาน เพราะสัตผู้นั้นอยู่ในวิมานแต่ผู้เดียวเป็นเวลานา น, านจึงรู้สึกเบื่อเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอ๋นอแม้สัตเหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตเหล่าอื่นจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสระเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญมาเกิดที่วิมานพรหมเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัต์นั้นแม้สัตพวกนั้นนึกคิดอะไรก็สาเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นอาหาร มีรศมีซ่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอัน ง, งดงามสถิตยอยู่นานแสนนานท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหมเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้คุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้บงการ ผู้ทรงอํานาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกําลังจะเกิดเราบรรดาลสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีความคิดมาก่อนว่าโอ๋เนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างเรามีความตั้งใจอย่างนี้และสัตว์เหล่านี้ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านพระพรหมผู้เจริญนี้เป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่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 บรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีอายุยืนกว่ามีผิวพันธุ์งดงามกว่าและมีศักดิ์มากกว่าส่วนผู้เกิดภายหลังมีอายุสั้นกว่ามีผิวพันธุ์ซามกว่าและมีศักดิ์น้อยกว่าข้อที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นชั้นมหาพรหมแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต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 กลับเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวรเป็นผู้สร้างว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างมีความเป็นมาอย่างนี้ใช่หรือไม่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านพระโคดมผู้ข้าพเจ้าก็ได้ยินมาอย่างที่ท่านพระโคดมตรัสนั่นแหละ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 มีมูลเหตุมาจากเทพเหล่าคิตทาปะโทสิกะเราจึงเข้าไปถามพวกเขาอย่างนี้ว่าทราบว่าท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่ามีมูมลเหตุมาจากเทพเหล่าคิตทาปะโทสิกะจริงหรือสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นเราจึงถามต่อไปว่าท่านทั้งหลาย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 มกมุ่นอย ha ู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาเมื่อหมก ม, กมกุ <Initi atives> ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาจึงหลงลืมสติเพราะความหลงลืมสติจึงพากันจุติจากชั้นนั้นข้อที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นและมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แลออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว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 เมื่อมุกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาย่อมหลงลืมสติเพราะความหลงลืมสติจึงต้องจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่คงทนมีอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่ามีโมลเหตุมาจากเทพเหล่าคิตาปะทสิกะมีความเป็นมาอย่างนี้ใช่หรือไม่ สมณพราหมณ์เหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านพระโคดมพวกเข้าพระเจ้าก็ได้ยินมาอย่างที่ท่านพระโคดมตรัสนั่นแหละพระควะก็เรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกและถึงที่เมื่อรู้ชัดตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อม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 สมณะพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นเราจึงถามต่อไปว่าท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่ามีโมลเหตุมาจากเทพเหล่ามโนปะโทสิกะมีความเป็นมาอย่างไรสมณะพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วก็ตอบไม่ได้กลับย้อนถามเราเราถูกเขาถามแล้วจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย มีเทพเหล่าหนึ่งชื่อมโนปะโทศิกะเทพเหล่านั้นมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรเมื่อมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรจึงคิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อคิดมุ่งร้ายต่อกันจึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจพากันจุติจากชั้นนั้นข้อที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต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 ย่อมไม่มัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรเมื่อไม่มัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรก็ไม่คิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อไม่คิดมุ่งร้ายต่อกันก็ไม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจากดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนเราเหล่ามโนโปะโทเิกะมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควร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 สมณพราหม์เหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าก็ได้ยินมาอย่างที่ท่านพระโคดมตรัสนั่นแหละภควะพวกเรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลกและถึงที่เมื่อรู้ชัดตัทาคตจึงไม่ดาเนินไปสู่ความเสื่อมภควะมีสมณพราหม์บางพวกประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่าเกิดขึ้นเอง เราจึงเข้าไปถามพวกเขาอย่างนี้ว่าทราบว่าท่านทั้งหลายประกา ศ, ศทฤษฎีว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่าเกิดขึ้นเองจริงหรือสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นเราจึงถามต่อไปว่าท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่าเกิดขึ้นเองมีความเป็นมาอย่างไร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 เพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีบัตรนี้ก็ไม่มีจึงน้อมไปเพื่อความเป็นผู้สงบท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่าเกิดขึ้นเองมีความเป็นมาอย่างนี้ใช่หรือไม่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าก็ได้ยินมาอย่างที่ท่านพระโคดมตรัสนั่นแหละพัวะ